เรื่องในนันทิยะกับนางเรวดีพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนะมรุคทายวันแขวงกรุงพาราณสีทรงปรารพในนันทิยะได้ยินว่าในกรุงพาราณสีมีครอบครัวหนึ่งมีบุตรชื่อนันทิยะเป็นอนุชาตาบุตรบำรรงภิกษุสงฆ์สมบูรณ์ด้วยศรัทธา ครั้นเจริญวัยมาดาบิดาประสงค์จะให้เขาแต่งงานแต่นันทิยะปฏิเสธมาดาบิดาประสงค์จะให้แต่งงานกับกุลธิดาของลุงชื่อเรวดีแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่ปรารถนาในทานในนันทิยะจึงไม่ปรารถนานางฝ่ายมาดาบิดาได้กล่าวสอนกับนางเรวดีให้ศรัทธารู้จักให้ทานจัดอาสนะสงศ์ บำรุงภิกษุสงฆ์รั้นทำได้ดังนี้จะเป็นที่พอใจของนันทิยะต่อมามารดาบิดาพูดกับปุตว่าบัดนี้นางเรวดีมีความประพฤตอดทนตะโอวาสรู้จักบำรุงสงฆ์นันทิยะจึงตอบตกลงแต่งงานด้วยครั้นแต่งงานแล้วนางบำรุงภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยเวลาเล็กน้อย ต่อานางคลอดบุตรสองคนมารดาบิดาของนันทิยะทํากาละแล้วความเป็นยหญนในเรือนจึงได้แก่น า, นางนันทิยะนั้นเป็นมหาทานบดีตั้งทานสำหรับสงฆ์คนกําพร้าและคนเดินทางไวที่ประตูเรือนสร้างศาลาสีมุกในมหาวิหารในป่าอิสิปัตนะมรึกทยวันถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ค, ครานั้นผลแห่งกุศ ล, ลกรรมได้บังเกิดขึ้นแล้วในเทวโลกปราสาททิพส์สำเร็จด้วยรัตนะทั้งเจ็ดมีประมาณส2องโยต์เบื้องบนสูงหนึ่งรยโยต์พุทธขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงขณะที่หลังน้ำทักสิโนโนทกในพระหัตพระศาสดาภายหลังวันหนึ่งพระมหาโมคลานาเถระ ไปสู่ที่จาวริกในเทวโลกถามเทวบุตรว่าปราสาททิพย์เต็มด้วยหมู่นางอับษร น, นั่นเกิดแล้วเพื่อใครเทวบุตรตอบว่าเป็นของบุตรเขาระหบดีชื่อนันทิยะผู้สร้างวิหารถวายประสาสดาในป่าอิสิปัตนะและขอให้พระเถระเจ้าพึงบอกเขาให้ถือเอาทิพยสมบัตินี้เช่นกับทำลายถาดดินแล้วถือเอาถาดทองคาเถิด พระเทระกลับจากเทวโลกเข้าไปเฝ้าพระสัสดาทูลถามพระองค์ทรงตอบยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นและได้ทรงภาสิทธิพระคทถาว่าญาติมิตรและคนมีใจดีทั้งหลายเห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานมาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดียอมยินดียิ่งว่ามาแล้วชันใดบุญทั้งหลายก็ยอมต้อนรับ แม้บุคคลผู้กระทำบุญไว้ซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าดุดพวกญาติเห็นญาติที่รักมาแล้วต้อนรับอยู่ฉะนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ